เราเห็นแจ้งวินี่แปลว่าแจ้งปัจจตินี่แปลว่าเห็นเห็นอะไรก็คือเห็นอะไรเป็นอะไรก็เห็นอันนั้นมีอะไรให้เห็นก็เห็นอันนั้นแต่ถ้าเห็นกับตา เห็นแจ้งที่ว่าเห็นแจ้งเพราะว่าเมื่อเห็นมันจะแจ้งวิญญาณต่างๆเนี่ยวิญญาณๆเนี่ยผู้ภาษาฝรั่งมัน spark ขึ้นเราก็เช่น สมมุติเราตั้งใจจะไปรับเพื่อนที่อยู่อำเภอลำโพงหรือที่สถานีพุนพินในรถขบวนหนึ่ง <c oughs> ดังๆที่มันมีมันแสดงวิญญาณไม่เกิดในกรณีนั้นนั้นเข้าใจมั้ยครับตอนที่มันเกิดความ <c oughs> แต่คนที่ขาดอะไรแล้วแต่ตายังดีนี่เห็นอะไร ตามไม่เห็นอะไรครับตามบอดตลอดเวลาหูนี่หนวกตลอดเวลาสิ่งที่ทําหน้าที่รู้ วันนี้จอนครอปิสุเรื่องความสุขนะครับ สงบปุนี้ไม่ได้หมายอาการที่ของเวทนาขันธ์ที่นั่งแล้วเกิดปิติถ้าสงบเช่นนี้ มันเปลี่ยนแปลงอยู่อีกดังนั้นมันมันจะเรียกว่าสุขไม่ได้จะเรียกบรมสุขหรือยอดสุขไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอีกเข้าใจมั้ยครับสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมสอเขาคุณนะคุณจะ ผมยกให้คุณแต่ผมจะเอาคืนชั่วโมงไหนเวลา แม้ตอนนั้นมันไม่เป็นฮะแต่ว่ามันสอเค้าจะครับแต่ว่าฟังฟังมา เป็นความสมมุติที่เราสร้างขึ้นทําขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอเค้าของความทุกข์จริงมั้ยครับเราเห็นใครสักคนหนึ่งแต่แต่เช่นพระ ถ้าซ้ําในเต่าโดยตรงนะ เวลาเขาร้องเพลงผมดูหน้าก็บิดเบี้ยวมากๆเลยเค้าแต่เขาร้องเพลงเรื่องความสุขเช่นจะบอกว่าฉันมีความสุขกับตาเนี่ยคิวตาแทบจะ นะครับเหมือนใสเดือนถูก ตฤโอฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาชนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความทุกข์ก็ถอยไอ้ วงเวียนอันนี้วีรันไปหาความสุขเข้าใจมั้ยครับไปหาความสุขคนก็ 20 ปีที่ เรเรเราเป็นจะเรียกเป็นครั้งแรกที่ผมชัดๆเลยคือผมไม่รู้จะลงทั้งลงเนี่ยหมุนเราเร 20 30 ปี แล้วเราก็แพนกล้องแล้วก็รู้สึกลงทั้งๆเป็ดเมืองคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าพอได้ๆเลย ผมไม่คาดสันเก๋กับความสุขที่ชาวบ้านรู้ที่จริงเป็นทุกข์นะฮะเป็นความร้อนชนิดหนึ่งเป็นความเลอะเลือนชนิดหนึ่งซึ่งเคยเริ่ม ลืมลืมตัวนะครับลืมสติตัวดาดๆเนี่ยมันไม่ดาดแล้วเนี่ยมันมันชักจะผงาดขึ้นมาเลยมันอยากจะทํานู้นมีอหังการ ทำเช่นนั้นแล้วอันตรายมากๆเลยครับถ้าบุคคลจะแสวงหาสุขครับพึงแสวง เขาเป็นปรปักษ์กับความสุขทุกรูปแบบก็ถือความสุขเป็นสิ่งเลวร้ายนั้นลัทธิ แต่คือให้มันเกิดเองกระนั้นก็ยึดถือไม่ได้คือให้มัน อย่าไปสนใจมันดีแล้วที่มันปรากฏมาถ้าสนใจมันมากมัน ที่ว่าสุขเหนือสันติเป็นไม่มี ทุกคนหาอะไรครับตรัถามในใจเรานะในใจเราทุกคนมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิ้นบางตอนก็ดูเซาๆลงเดี๋ยวก็ดิ้นอีกยินโดนอยากไปนู้นอยากไปนี้ทั้งนี้มันอยู่ในสายเลือดในไอ้ระบบวงจร ประพยนข่าวนะครับที่เรียกด็อกคิวเมนต์ชุดหนึ่งซึ่งผมๆนักวิทยาคัเอาครึ่งส่งโทรทัศน์นะครับ แล้วขยายเสียงด้วยนะครับผมนั่งดูตัวเช้าเลยครับโอ้ยรู้สึกเหมือนมันไอ้ตัวเรานึกไม่ใช่ตัวเรามันมันดิ้นตลอดเวลาเข้าใจมั้ย ดินนอนซาฟรังลิสสตราวิงตนนั้นสังเกตดูบางวันเราจิตใจร้าวร้อนๆใช่ดิ้นบางคืนนอนเวลาหลับเนี่ยนอนขากระตุกกระสับกระสายกระสับ พออายุสัก 16 ตากเนื้อสาวละอาละดิ้นไปเล่นมาๆแรงผลักดัน ดวงอาทต้องรู้โดยรากฐานของ แต่ว่าในส่วนของการเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่พัฒนาตัวเอง ตะฏดินเข้าไปในกระแสของมันมันฝังเราหน้าๆเลยจริงมั้ยครับกิเลสนั้นเปรียบ กิเลสน้อยปัญญาน้อยไม่มีกิเลสก็ไม่มีปัญญาครับเช่นคนสิ้นกิเลสก็คือคนที่วิมุตติละหลุดพ้นแล้วก็ปัญญาไม่จําเป็นต้องใช้แต่ถ้ากิเลสมีอยู่แล้วไม่ตั้งสติไม่ใช้ปัญญาเนี่ยยุ่งแน่ๆเลยครับจริงมั้ยตํา เรารู้ตัวชัดขึ้นมองกิเลสเข้ามาเรา ดังนั้นไตร่ตรองลงนะครับมีกิเลสมากเล็กน้อยไม่สําคัญน้อยเปรียบเหมือน เหมือนตรงที่ดีแล้วครับเพื่อนเค้ากิเลสน้อยจริงนะเรากิเลสมากๆสุตติปัญญามันจะได้ลึกซึ้งแต่ คนคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งยั่วกิเลสน้อยปัญหามันก็น้อยลงแต่ก็ เพราะว่าสิ้นสึกว่าสิ้นสึกมหรอปฏิบัตินะครับสุตติกับกิเลสจะต่อสู้กันอยู่ๆกรดกับด่างใช่มั้ยฮะใช่มั้ยด่าง การเปลี่ยนแปลงอีกแล้วดังนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนั่นไม่ใช่ความสงบซึ่งสร้าง ลองทบทวนทวนคล้ายๆเราปฏิบัติเนี่ยแต่ความดีทวนข้อข้อ ต่อมาอนุราจคุณพบมโนกติซึ่งเคลื่อนไหวในตัวอย่างท่องแท้ภายนอกการกระทําคือกามตัณหาเป้าหมายชีวิตก็คือความสุข คนจึงสร้างความสุขของหมู่คณะเพื่อได้รับมานะอัตติมานะแต่วัน ไม่ใช่เวทนาคันแต่เป็นการซึมสุดการดิ้นรนจําได้มั้ยครับจําได้ เข้าของอธิบายลงหน้าก็ได้ไม่อธิบายก็ได้แต่ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ใช่มั้ยครับพอมือไข่ประตูเข้าได้แล้วอะไรมีมก็เห็น คิดเล่นเป็นเครื่องเตือนจิตสึกกิจใจวันทีลมเผลอๆ ก็จะง่ายเข้าใช่มั้ยครับจะบอกท่านอาจารย์บอกว่ากุญแจมัน เมธีสําคัญของคําพูดผมชอบคําอธิบายของภิกษุทุเรียนแปลงหม้อเอ่อ ยิ่งพูดยิ่งหิวหนักขึ้นยิ่งพูดธรรมะก็ยิ่งหิวหนักขึ้นคือๆความฉลาดเป็นเพียงของ ความแต่ผมจะเลือกเพื่อนเดินทางคนหนึ่งใจสําคัญกว่าแต่ผมจะเลือกเพื่อนเดินทางคนหนึ่งทางกันยาวนาน ในกัมมวิปัสสนานี้เหมือนการเดินทางครับถ้ามีใครบอกจุดสําคัญไว้เอ่อนี่ผมอ่านถึงซะ เขาก็ไม่เข้าใจทําไมอย่างนั้นท่านบอกว่าพระ มีคนชี้ให้เข้ามาในสวนนะครับทบต้นไม้ใหญ่ระวังให้ดีให้ อยู่กันหนึ่งนะครับในการเดินทางนั้น ก็จะมีเพื่อนมากขึ้นจะมีเพื่อนมากขึ้นเราเข้ากลุ่มไหนสักกลุ่มนะครับแล้วปฏิบัติธรรมเพียงเพื่อการสมาคม อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องยินดีที่จะเดินทางอย่างโดดเดี่ยวนั้นเป็น ได้รับสารพลวงเนาะกรรมปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่งานมันเกิดที่จะได้กินเค้กๆหรืออะไรน้องนั้นนะครับผมไม่ได้พูดได้ ฝรั่งคนนึงเล่าให้ผมฟังแล้วเค้าอ้างบอกว่าแต่ผมฟังดูแล้วก็เข้าเค้าดีแต่เค้าไปเรียนจากไหนผมไม่รู้เค้าไม่ใช่ชาวพุทธเป็นชาวคริสเตียนแล้วเค้าก็เล่าให้ ก็มากันหนักๆเหมือนเดิมอย่างนั้นไปเจอหมีใกล้ๆ พลาดเลยปีนต้นไม้ที่ยื่นไปแต่ยังไม่ทิ้ง ก็มาดูที่คิดอะไรไม่ออกความที่ปัญหามันลุกเข้ามาทุกด้านอ้าวมีเสือแม่ลูกอ่อน ราดเลยอ่ะว่ะงับลูกบอกมันๆอนุทานมันจริงๆในชีวิตเนี่ยฟังออกมั้ยเลยแต่ผมชอบเรื่องนี้มากๆครับคือถ้าเรามีประสบการณ์มากๆเพราะครับ แต่ๆลองทบทวนๆ